วันมิสาขาบูชาพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันอะไรเรารู้ความสำคัญนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสื้อพระองค์เดียวเนี่ยเราก็เหมือนคนตาบอดหรือเหมือนคนมีตานะแต่มันไม่มีแสงสว่างโลกมันมืดถ้าใครระลึกชาติได้เคยได้ยิน ถ้าละลึกได้ก็จะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนของท่านไม่เหลือสาวกของท่านสืบทอดเป็นช่วงที่โลกนี้มันมีความรู้สึกวังเวงมันไม่ได้ชั่วหรอกนะมันก็ชั่วพอประมาณเหมือนปัจจุบันนี้แหละทาั้งนี้มีพระพุทธเจ้ามันก็ยังชั่วอย่างนี้แหละ แต่ว่าคนทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีทิศทางที่จะเดินอยากไปให้พ้นจากกองทุกข์ก็ไม่รู้จะไปได้ยังไงในช่วงไหนที่มีพระพุทธศาสนาขึ้นมาเรายัางรู้เลยอันแรกเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรที่จริงแล้วพวกเรามีชีวิตอยู่เนะไม่ใช่เพื่อจะว่าหาอยู่หากินสืบพันธ์สะสมสมบัติแล้ ว, วันนึงก็ยกให้คนอื่นไป ชีวิตมันไม่ได้ต่ําต้อยขนาดนั้นเพราะอาศัยเราได้มีพระพุทธเจ้านะเรารู้ว่าหน้าที่หลักของเราคือการยกระดับจิตใจของเราออกจากกองทุกข์ให้ได้เรื่องอะไรต้องมีชีวิตที่จมอยู่ในความทุกข์ตลอดไปเนี่ยอาศัยว่าเคยได้ยินได้ฟังคําสอนของท่านนะรู้เฝ้าหมายรู้วัตถุประสงค์ของชีวิตเพื่อความพ้นทุกข์ ความดับสนิทของทุกข์ไม่ได้รู้แค่นั้นอาศัยคําสอนของพระเจ้าเลยรู้วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์ด้วยคนพวกนักปราบัตทั้งหลายเขาก็คิดวิธีที่จะออกจากกองทุกข์กันแต่ละศาสนาเขาก็มีวิธีการของเขาบางศาสนาก็สอนให้รักคนอื่นรักเพื่อนบ้านรักอะไรอย่างนี้ย จริงๆก็คือให้มีมความเมตตาถ้าคนเราเป็มีเมตตามก็มีความสุขมันไม่ไม่ปิเปียดเบียนกันบางศาสนานะสอนให้จงรักภักดีกับพระเจ้าอย่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งถ้าคนเราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งในทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเห็นแก่ตัวมากเอาพระเจ้าเป็นตัวตั้งก็จะลดละความเห็นแก่ตัว สังคมมันก็ร่มเย็นขึ้นผู้คนมันก็มีความสุขขึ้นบางศาสนานะเขาสอนให้ทรมานใจตัวเองด้วยการทรมานกายอย่างอดข้าวอยากกินก็อย่าไปกินอยากนอนก็อย่าไปนอนให้มันสบายทำตัวเองให้ลำบากไว้ดัดนิสัย ด, ด, ส ด, ด, ดัดสันดานมันตามใจกิเลสนักดัดสันดานมันก็ไปศาสนาทาง กดข่มบังคับตัวเองบางพวกก็ไปหาดนั่งสมาธิเข้าฌานเข้าฌานจิตสงบระงับมีความสุขหรือเช่าชาญลึกขึ้นไปนะโลกธาตุหายไปร่างกายหายไปร่างกายหายไปนะมันก็พ้นจากความทุกข์ทางร่างกายก็พยายามจะทำให้จิตมันหายด้วยนะก็เคลิมลงไปเคลิ้มลงไปเป็นเนื้สัญญา ทำจนทังรู้สึกเหมือนกับมีจิตก็เหมือนไม่มีจิตมีสัญญาหรือการหมายรู้ก็เหมือนไม่มีมันเบาบางมากว่าไม่มีร่างกายมันก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายนะไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่ทุกข์เพราะจิตใจอย่างเวลาไม่มีความรู้สึกนะไม่ทุกข์ใจพวกนี้ก็หาทางพระพุทธเจ้าเราก็เป็นคนหาทางอีกคนหนึ่งทางที่ท่านหานั้นไม่เหมือนของคนอื่น ของคนอื่นนะท่านก็ทดลองดูแล้วก็พบว่าไม่เห็นมันจะพ้นจากทุกข์ได้ถาวรเลยท่านก็มาพบทางสายกลางทางของศีลสมาธิปัญญาของอริยามรรคมีองค์แปดพวกเราอยาไปเรียกว่ามรรคแปดนะมรรคมีหนึ่งมรรคมีหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ว่ามีองค์ประกอบแปดอย่างเหมือนแมงมุมมีตัวเดียวมีแปดขา อาศัยคําสอนของท่านนี่เราก็รู้วิธีที่จะยกระดับใจของเราให้พ้นจากของทุกได้เบื้องตอนน้นเราก็มาจัดระเบียบกายวาจาด้วยศีลมาจัดระเบียบจิตใจด้วยสมาธิพอกายวาจาเรียบร้อยจิตใจมีสมาธิก็อาศัยจิตใจที่มีสมาธิแล้วนี้ไปเจริญปัญญา ดังทางรอดของเราชาวพุทธนะคือการเจริญปัญญาส่วนศีลสมาธินั้นเป็นตัวสนับสนุนทำให้เราเจริญปัญญาได้จะพ้นหรือไม่พ้นก็อยู่ที่ปัญญานี้แหละปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้อย่างโลกโลกไม่ใช่ปัญญาจากการคิดเอาจะเกิดจากการอบร ม, มกลมก ล, มกลาจิตใจนะพาจิตใจให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วก็พบ ว, ว่า รูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีในรูปในนามนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากรูปนามนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยในปัญญาเบื้องต้นก็จะเห็นว่าตัวเราไม่มีก็จะเริ่มพบว่าความทุกข์มีอยู่แต่มันไม่มีเจ้าของขันมันก็มีอยู่นะมันไม่มีเจ้าของหรอกมีการกระทํามีการกระทำำํากรรมแต่ไม่มีผู้กระทำำํากรรม ถ้าเป็นพระโสดาบันจะรู้สึกงั้นเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่จิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจิตใจจะประสบอารมณ์ชนิดใดก็ตามมันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่งินตอนได้โสดาบันนะบางคนก็คิดคิดเลขตื่นตื่น ว่าอาริยมรรคอาริยผลมีสี่ชั้นโสดาสกธาคาอนาคาพระรหันติเว่าถ้าได้โสดาแล้วก็พ้นทุกไปยสิบห้าเป 25% เซ็นตชนะกิเลสไปย5สิบ้าเปเซ็นต์ไม่ได้คิดบัญญตัติปยังกี่กกนาจริงๆแล้วถ้าได้โสดาบันชีวิตใจิตใจมันเปลี่ยนไปอย่างมากเลยมันมีความอบุญใจมีความมั่นใจเกิดขึ้น โลกนี้แปลปรวนนะชีวิตเราอาจจะดีขึ้นจะเลวลงไม่แน่แล้วแต่กรรมให้ผลแต่เรามีความมั่นใจมีความอิมโมคุยมใจอยู่อย่างหนึ่งนะ ว, ว่าจิตอิญญาณเราจะไม่ตกต่ําลงมีแต่นานวันไปจะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นพ้นทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นจิตมีความแน่ใจตัวนี้พวกเราลองนึกดูทําไมพวกเรากลัวตาย เพราะเราไม่รู้ว่าอนาะคตเราจะดีขึ้นหรือเร็วลงใช่ไหมถ้าเรามีใบรับประกันนะว่าถ้าตายปุ๊บจะได้ขึ้นสวรรค์นนะไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่บางคนอยากตายเร็วๆ เ, เลยจะได้พ้นหน้าอีแก่ที่บ้านหรือพ้ น, พ น, พนไอ้แก่ที่บ้านทะ่จะได้ไปเจอไปเป็นเทวดามีนางฟ้าแปด0มสี่พันเป็นบริวารเอาไปดูสิเนาะมันเยอะขนาดนะั้นมัคงตีกันทั้งวันนู้น <c oughs> บ้านหนึ่งมีสองสามคนยังเวียนหัวเลยเนี่ยถ้าเราคิดว่าถ้าตายไปแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีขึ้นคนไม่ค่อยกลัวหรอกแต่ที่กลัวเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนทุกวันนี้มีร่างกายอย่างเนี้ยอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ยังพออาศัยอยู่ไม่รู้ว่าชาติต่อไปจะ ไ, ได้ร่างกายเป็นหมูเป็นหมาหรือเปล่าเป็นหมาฝรั่งก็ยังดีนะ บางคนน่าตั้งจิตอธิษฐานทำบุญจะไปคุ้นชติหน้าขอให้เป็นหมาฝรั่งเนี่ยไม่รู้หรอกหมาฝรั่งก็ลำบากนะถูกล่ามตลอดเลยบางคนขอเป็นหมาไทยอิสระดีไม่ฉลาดเพราะเราไม่รู้อนาคตนะมันมีความไม่แน่นอนนะใจเราถึงหวาดกลัวความเปลี่ยนแปลง ถ้าเรารู้ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นมันจะไม่กลัวนีวัตนะเนี่ยมันซ่อนความน่ากลัวไปเราไม่รู้มาจากไหนเราก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยคือความน่ากลัวของวัฏฏะเพราะเราจะกลัวความเปลี่ยนแปลงให้ไปเกิดเป็นตัวอื่นนะจะไม่อยากเกิดนะอย่างถ้าเราเกิดเป็นหมาแนละ้วอยากเกิดเป็นหมาอีกก็กลัวความเปลี่ยนแปลงอยากเกิดเป็นเทวดาก็อยากจะเป็นเทวดาอีก ความเปลี่ยนแปลงเป็นคนก็อยากเป็นคนอีกนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นทางที่ว่าอย่างเป็นหมาเนี่ยได้มาเป็นคนแล้วดีแต่หมาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นหมารู้สึกเป็นหมาดีกว่าคิดดูซิพวกเราเวลาอาบน้ำมีใครมาอาบให้เราบ้างนะหมามีคนอาบน้ำให้มั้ยหมามีคนทําผมให้บางตัวก็ไปสระผม ไปเป่าใดนะแต่งทรงผมอย่างน้นอย่างนี้มันอิมโมยิมใจกว่าเป็นหมาแ mm hmm. ม้เกิดในภพอะไรนะมักจะติดอยู่ในภพนั้นแหละซ้ำซํำๆอยู่นานเลยเชิญเห็นทุกเห็นโทษของภพนั้นนะถึงจะหลุดออกไปงั้นในตํารามักจะชอบพูดถึงเกิดเป็นหมาห้าร้อยชาติทำไมต้องเป็นหมาห้าร้อยชาติมันชอบเป็นหมาน่ะสิของเราอยากเป็นคนนะไม่อยากเป็นตัวอื่น เป็นตัวอื่ะจะสบายกว่านี้แต่ก็ยังอยากเป็นอย่างนี้เรามีความกลัวนะความไม่แน่นอนเรารู้สึกว่าตรงนี้พออยู่ได้แต่ถ้าเรามาจเจริญสติปัญญาเข้านะเราจะรู้ว่าตรงนี้แหละทุกขนะ์ข้างหน้าแน่นอนถ้าเราได้โสดาบันแล้วข้างหน้าแน่นอนแน่นอนว่าจะต้องเป็นพระอรหันตะ์ เพรการเป็นโสดาบันนี่นะสาคัญกว่าการบรรลุพระอรหันต์นะเป็นจุดหักเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยพระคระสาวกสององค์รู้จักใช่ไหมพระโมคคลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากสามารถสอนปุถุชนนะให้เป็นพระโสดาบันได้จำนวนมากพระโมคคลามีฤทธิ์มากงั้นไล่จิกไล่ตกไล่ตีอะไรนี่เก่ง สอนพระโสดาบันแล้วนะีให้เป็นพระลรหันนะ์นได้มากความเก่งของท่านสองอั น, นไม่เท่ากันพระพุทธเจ้าท่านกลับยกย่องคนที่ให้เราได้เป็นพระโสดาบันนะท่านยกย่องเป็นพ่อเป็นแม่นะงั้นอย่างถ้าเราเป็นพระโสดาบันเพราะเราได้ฟังธรรมของท่านผู้นี้นะใจมันจะรู้สึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่กันจะรู้สึกอย่างนั้นอัตโนมัติเลยจะผูกพันอย่างนั้นเลยเหมือนอย่างพระสารีบุตร สรีบูตรฟังธรรมจากพระอาสิชิได้โสดาบันเวลาท่านนอนนั้นท่านจะสืบว่าพระอาสิชินอนไปอยู่ที่ไหนท่านจะหันศีรษะไปทางนั้นทั้งๆ ท, ที่ท่านได้พระอราหันต์พระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระเจ้าเวลาเคารพนะใจมันจะผูกพันอย่างนี้เหมือนพ่อกับลูกส่วนผู้ที่สอนเราให้ได้สกทาคาอนาคาพระอราหารนะันต์เนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นพี่เป็นพี่ เป็นพี่เลี้ยงเป็นอะไรนี้นะดังนั้นการได้เป็นโสดาบันนะสําคัญกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพวกเราหน้าตาอย่างพวกเราไม่มีทางเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรอกนะแค่จะหาอยู่หากินไปวันวันหนึ่งก็ยังยากเลย <laughs> งั้นพวกเรายัางไม่ได้เป็นแต่ถ้าเราได้โสดาบันนะมันอิ่มมันอิ่มมา ก, กว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะวันหนึ่งก็ตายคนอื่นเขาก็มาใหญ่แทน มีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัตินะส่งเปของคนอื่นคเขาตัวเองไม่มีอะไรมีแต่บุญกับบาปติดตัวไปแต่เป็นโสดาบันเนี่ยมีอริยทรัพย์ติดตัวไปนะไม่มีทางตกต่ําอีกต่อไปแล้วอาจจะไปเกิดยากจนเกิดพิกลพิการอะไรเป็นไปได้นะแล้วแต่กุศลให้ผลแต่ว่าจิตวิญญาณมันจะไม่ตกต่ําลงไปนะ ย้อนชาตินี้นะอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้ว่าเรายกระดับจิตใจของเรานะออกจากกองทุกข์ให้ได้เบื้องต้นต้องเป็นพระโสดาบันนะวิธีที่จะเป็นพระโสดาบันถือศีลห้าไว้ก่อนนะแล้วก็จเจริญดำเนินจิตเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางคือทางที่ไม่หลงกับโลกไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอยู่แต่ไม่หลงกับมัน ก็ไม่ไปบังคับกายบังคับใจให้ลําบากแค่จิตใจที่เป็นธรรมชาติจิตใจที่เป็นธรรมดานี่แหละรู้สึกลงไปนะจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานไปแต่เบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนพระโสดาบันนะท่านมีศีลศีลนะที่ท่านต้องมีคือศีลห้าเท่านั้นแหละนะไม่ใช่ศีลอะไรมากมายนักหรอกพวกเราศีลห้าได้ดียัง ใครแอบนอกใจเมียบ้างห้ามยกมือนะแต่หลองเท่ถามมีไหมเท่ต อ, ตอบในใจพอนะเดี๋ยวเมียตีตายไม่ใช่มาตายคาวัดเราเนะไม่มีเมน <c oughs> ใครยังกินเหล้าอยู่มีไหมยกมือสิไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายยกมือเวลากินยังไม่อายเลย <c oughs> ใครยังชอบทำร้ายคนอื่นทำร้ายสัตว์อื่นมีไหมใครตี ใครชอบตีสามีบ้างมีไหม <c oughs> เรื่องสามีตีพัญญาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอ่ะผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชายนะผู้ชายเดี๋ยวนี้น่ำแนมลงทุกทีทุกทีแล้วใครยังโกหกอยู่มีไหมใครพูดเพ้อเจอ้อ <c oughs> เราสำรวจนะศีลของเราดียัง เราไม่ได้โง่ขนาดไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรอกนะพวกเราได้ฟังทำมาพอสมควรแล้วเมื่อเราสารวจนะอะไรที่ไม่ดีก็ลา้าซะอะไรที่ดีแล้วยังไม่ได้ทำก็ทำซะเท่านั้นเองที่ทำแล้วก็อย่าไปทอดทิ้งให้มันตกต่ำลงไปอย่างเราสามารถฝึกจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยก็ฝึกของเราทุกวันไม่ทอดทิ้งนะทอดทิ้งไปมันจะกลายเป็นผู้หลงขึ้นมาอีกนะเคยแยกขันได้แล้วก็ขัดแยกมันทุกวันดูขัดมันทางานทุกวัน ถ้าลาเลยไปไม่นานนขันมันก็มารวมกันอีกนะเพราะว่ามันเป็นโลกียะธรรมนะคุณธรรมที่พวกเรามีตอนนี้มันระดับโลกียะธรรมยังเสื่อมยัเสื่อมได้มีศีลเที่ยงเสื่อมได้มีสมาธิก็ยังเสื่อมได้ปัญญานะค่อยๆสะสมไปนะอาศัยการตามรู้ตามดูนะตามรู้ตามดูไปมากๆนะปัญญามันก็เกิด ลาทิ้งการตามรู้ตามดูแล้วมันก็หลงผิดขึ้นมาอีกเพราะมันยังไม่ขาดทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณงามความดีของพวกเรายัางไว้ใจไม่ได้ยังพลุพลุๆรโ ป, ปอยู่อย่ไว้ใจได้แล้วได้โสดาบันขึ้นไปแล้วโสดาบัลก็จะมีศีลศีลไม่กล้าทำผิดศีลมันละอายใจไม่ใช่ว่ากลัวทำผิดศีลแล้วคนอื่นจะรู้แต่ไม่ทำผิดศีลเพราะละอายใจ สมาธิของโสดาบันก็เล็กน้อยหมายถึงว่าจิตไม่ค่อยอยู่กันเนืกับตัวเท่าไหร่หรอกพระโสดาบันนะจิตฉลับซ้ายฉลับขวาเหมือนพวกเรานี่แหละนะเพราะฉั้นการที่พวกเราจิตฉลับไปฉลับมาอย่าเสียใจนะมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของเราเป็นอย่างนี้แหละนะปัญญาของพวกเราก็เล็กน้อยนะเพราะปัญญาของพระโสดาบันยังเล็กน้อยของเราต้องเรียกว่าน้อยมากนะมันภาษาไทยมันก็ยากนะมันน้อยมากเนะี่ย มันไม่รู้มากหรือน้อยน้อยอย่างยิ่งอยงั้นก็สะสมไปอะไรยังน้อยก็ทำนะความดีสะสมไปเรื่อยๆค่อยสมเป็นรูปพระพุทธเจ้าหน่อยนานๆพระพุทธเจ้าจัดสรู้สักองค์หนึ่งจัดสรู้แล้วเนี่ยพระธรรมอยู่ไม่นานก็จะอันตรทานไปอย่างเราคิดว่าพระธรรมอยู่มาสอง0กกว่าปีแล้วนานแล้วจริงๆไม่นานหรอก ในประวัติศาสตร์แต่ละชาติแต่ละชาตินะประวัติศาสตร์บางทียาวกว่า2อ0 0ันสาปีซะอีกนะแะทําไมเนี่ยสองพันกว่าปนะีนี่จริงไม่นานช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธศาสนา น, ะนานกว่าเทียบกันไม่ติดเลยงั้นในขณะที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่รีบภาวนาเอาธรรมะมาสู่จิตสู่ใจตัวเองให้ได้นะชีวิตจะได้พั่นคงไปเกิดต่อไปนะ แค่ได้ยินธรรมะนิดเดียวนะใจมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยกลับเข้ามาใหม่เลยธรรมะเวลาตายนี่ลืมนะเวลาตายเนี่ยลืมสัญญาความจําอะไรพวกนี้หายหมดเพราะว่ามันโยงอยู่กับสมองเราสมองเรามันถูกเอาไปเผาทิ้งนะหรือมันเน่าไปหมดแต่ว่ามันจะเก็บคุณงามความดีหรือความชั่วเนี่ยเก็บลงในผวังขจิตสะสมอยู่ในจิตในจิตที่ไปสร้างรูปนามใหม่ขึ้นมา ได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาแต่ว่าจะลืมลืมธรรมะไปแต่ว่าพอใต้ยินได้ฟังนิดเดียวนะจะกลับมาเลยนะจะกลับมาเลยงั้นบางคนนะภาวนาผู้บปุ๊บบหมายเหมือนมันตัดให้ดูสองทีความจริงมันของเก่านะเคยตัดมาแล้วมันไม่ใช่มีตัดซ้ำหรอกมันแค่อาการตัดให้ดูเท่านั้นเองว่ามันเคยผ่านมาแบบนี้นะถ้าเคยผ่านแล้วก็แล้วกันไปในวัฏะนี่มีโอกาสเกิดอริยมรรคได้สีขณะจิตเท่านั้น ตลอดชีวิตของเราในทุกภพทุกชาตินะแต่ละคนแต่ละคนมีเกิดโอกาสเกิดอริยมรรคสี่ขนาดเท่านั้นเองขนาดแรกก็โสดาปติมรรคสัคตาคามีมรรคอนาคามีมรรคอนหกักตมรรคอย่างละหนึ่งขณะไม่มีซ้ำนะไม่มีโสดาสองครั้งสัคตาคามีสองครั้งไม่มีงั้นไม่ต้องรีบร้อนจะเอาเร็วๆนะค่อยๆทำไปเดี๋ยวหมดหมดแล้วจะเสียดายไหมไม่เสียดายหรอก <laughs> นี่เสียนได้หรอมีแต่ใจหายใจหายยังไงได้โสดานะใจหายหันไปดูเนาะรอดขึ้นมาได้ไงในวัตฏานี้เต็มไปด้วยความหลอกลวงทำไมรูดออกมาได้โอ้ยม่จะรักพระพุทธเจ้าสุดชีวิตจิตใจเลยนะจะศรัทธาเต็มเปี่ยมเต็มภูมิเลยไม่ได้ท่านนำทางให้ไม่มีทางออกมาได้อย่างนี้หรอกเหมือนต้อนช้างเข้ารูเข็มนะยากจริงยากสำหรับคนไม่เคยได้ยินธรรมะนะ อย่างพวกเรารู้วิธีแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกอยากขี้เกียจเท่านั้นแดูบ่อยๆงั้นเราต้องคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะอยู่ในความมืดบอดไปอาจจะไม่ได้คนชั่วนะแต่ใจจะเหี่ยวแห้งวัางเวงไม่รู้ทิศทางงั้นเรามีพระพุทธเจ้านำทางให้เราแล้วเรารีบเดินตามท่านไปไม่นานท่านก็จะอันตรธานนะ คนก็ลืมลืมธรร ม, มะของท่านพอคนลืมธรร ม, มะของท่านก็พอหนาไม่ได้พระธรรมหายไปพระสงฆ์ก็ไม่มีก็ไม่มีใครเชื่อพระพุทธเจ้าว่าจะมีจริงอีกล้ก็ลืมไปหมดงันรักษาธรร ม, มะไว้ในใจเรานะค่อยๆสะสมไปจนใจเราเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะอยู่กับพระพุทธเจ้ามันคล้ายๆในวัดตานะเราเป็นคนหลงทางร่นอนเร่ไป อาณามากเลยนะหลงทางหาทางกลับบ้านบ้านเราอยู่ไหนเราก็ไม่รู้พ่อแม่เราเป็นใครเราก็ไม่รู้พี่น้องเรามีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันรอนได้อย่างนั้นเลยในวัฏฏะเราเป็นพระโสดาบันแล้วนะเรารู้เลยว่าพ่อแม่เรามีนะพี่น้องเรามีบ้านของเรามีอยู่ที่ว่าเราจะกลับไปถึงเมื่อไรเท่านั้นเองเรารู้แล้วล่ะบ้านเราอยู่ทางนี้ เดินไปขยันเดินมันก็ถึงเดียวขี้เหยียดเดินมันก็ไม่ถึงก็แค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะเดินนะเดเดินเดินเวียนเทียนเดินเวียนเทียนไม่ใช่เดินส่งเดชเดินเวียนเทียนก็เดินมีสตินะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าวันนี้วันของพระพุทธเจ้าวันนี้สาขาบูชาเดินระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ ตั้งใจว่าก้าวทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยเราตามรอยบาทของท่านท่านเดินนำไปก่อนแล้วเราขอเดินตามท่านไปถ้าทำใจไว้อย่างนั้นนะใจเราจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอันใหญ่ๆ่เนี่ยเดินส่งเด่นไปร้อนเปล่าๆควันเข้าตาบางคนก็เดินสงวนเทียนเดินไปกงังวลแต่ว่าเทียนจะดับดับก็ดับไปสินะไม่เดินกลัวไฟจะดับนะ ดับก็เป็นไรดับถ้าคนอื่นก็ยังมีต่อเขาได้ก็ต่อถ้ามีกวนสมาธิเขาก็ไม่ต้องจุดไฟหรอกถือไปอย่างนั้นแหละจุดสําคัญคือปฏิบัติบูบชาไม่ใช่บูชาด้วยอามิตสนั้นถ้าเราไม่มีดอกไม้ทูบเทียนไม่เป็นไรนะเราเดินเอานี้แหละเดินะระลึกถึงคุณของท่านเราปฏิบัติบูบชาท่านได้บุญมากกว่ามีดอกไม้สวยๆอยู่นะเนี่ยข้างหน้าเขามีโคมสวยงาม เดี๋ยวก่อนจะไปเดินนะหลวงพ่อจะให้พระสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะแต่าวายพรพระงั้นเดี๋ยวเราตั้งใจฟังนะฟังแล้วคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าหลัาจากนั้นไปเดินเบียนเทียนเดินระลึกถึงพระพุทธเจ้าชีวิตเราได้ร่มเย็นอยู่ใต้ร่มโพร่มใสของพระพุทธเจ้า